เวลาไข้ขึ้นก็ต้องทนไปหน่อยสางไข้ก็อ่านตำรับยาต่อจะได้ประยุกต์ปรุงยามากินก็อย่างนี้แหละในยุคนี้ยุครุ่นอนาถารุ่นจดหมายก็อย่างนี้จริงๆรุ่นมีจดหมายฉบับใหญ่มากเลยนะจำตัวอ่านจดหมายพระพุทธเจ้าไว้กี่ฉบับแล้วเลยไปหลายฉบับเลยนะถ้ามองว่าพระพุทธเจ้าเขียนจดหมายเหล่านี้ถึงเรานะน่าจะอ่านได้อย่างมีความสุขขึ้นไหมบรนท บ, บรุษท่านฝากให้นี่เป็นมรดกที่ถ่ายทอดมาถึงเรา แสดงว่าเนื้อหาดีนะท่านจึงจเขียนฝากถึงเราตั้งสองพันกว่าปีแล้วคือถ้าหากว่าเรามีความคิดแบบนี้ก็น่าจะตั้งใจอ่านขึ้นอีกเยอะแล้วถามว่าถ้าตาบอดแล้วจะมีโอกาสได้อ่านหรือมีหลายคนเนี่ตอนที่เข้าตาดีๆเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยใช้เป็นสาระสำคั์เท่าไหร่ตอนหลังเริ่มอยากอ่านพระไตรปิฎกรู้แล้วว่าตาเนี่ยมีปัญหาเจ้านี้อีกภายในสามปีจะบอดเจ้านั้นอีกสิบปีบอดทาไมเป็นอย่างนี้นะ ถ้าไม่รีบเปลี่ยนไม่รีบศึกษาจริงๆนะเดี๋ยวตามันก็พิการหูจะพิกา ร, การถ้าพิการตาพิการหูแล้วนะจะบูกนี่ใช้งานอะไรก็ไม่ได้ลิ้นก็ยิ่งไม่มีประโยชน์เลยนะทะวารตาก็ไม่มีประโยชน์ต่อการศึกษาพระธรรมเลยนะทะวารศึกษาพระธรรมเนี่ยที่จะรับจากภายนอกมีสองทวารคือทวารตากับทวารหูแล้วแนวโน้มว่ามันจะใช้งานได้อีกนานเท่าไหร่ตาเนะดูมันเหมือนมันเห็นชัดแต่ถ้าเจอฝุ่นหยุดนิดเดียวนะสะเก็ดหินเข้ามาหน่อยเดียวเนี่ย สักสองชิ้นถูกซ้ายถูกขวานี่ก็บอดหมดแล้วจริงๆแล้วบอดบางมากๆเพราะตาจริงๆก็คือก้อนพังผืดที่มีน้ำอยู่ข้างใ น, นแค่นั้นเองแต่ว่าประสิทธิภาพเนื่องจากกรรมมันแต่งให้มาถุงน้ำก็แสดงว่าพร้อมที่จะรั่วออกมาพยายามที่จะเอาเขามาใช้ให้เป็นสาระที่สุดเพราะนี่เป็นผลของบุญเก่าของเราเนี่ยจะใช้ตาให้คุ้มที่สุดที่ควรจะเป็นได้ถามคาถามสุดท้าย เพราะวาตาของคนใกล้จะพิการชั่วคราวแนละ้วกรรมฐานบางอย่างอ น, นะครับใกล้เคียงกันมากสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยแต่ว่าบางอย่างก็เห็นชัดว่าอันนี้เป็นสมถะตอนที่จะไปต่อวิปัสสนาก็ต้องมรนสการอีกทีหนึ่งอย่างมรณสตินะครับจะแยกให้เห็นชัดงไงครับว่าตอนไหนเป็นสมถะแล้วก็ตอนไหนเป็นวิปัสสนาซึ่งความจริงแล้วก็ถ้าผูด้ดรวมก็ไปควบคู่กันแต่ว่า แนวโน้มของสมถะที่นำหน้าหรือว่าวิปัสนาที่มีกำลังเนี่ยจะเห็นต่างกันไงครับต่างกันตรงที่ว่าสมถะเนี่ยมุ่งไปเพื่อความสงบเมื่อเจริญไปแล้วเนี่ยโน้มไปเพื่อความสงบจากนิวร์สงบจากอากุศลธรรมแต่ถ้าวิปัสนาเนี่ยมุ่งไปที่จะรู้แจ้งในอารมณ์นั้นมุ่งเอาอารมณ์นั้นเข้าไปวิจัยอารมณ์นั้นอย่างละเอียดละออทีทุ่นโดยประการทั้งปวง แต่ถ้าสมถะมุ่งให้จิตสงบเป็นหลักมุ่งที่จะให้สงบกับมุ่งที่จะรู้แจ้งความแตกต่างกันอยู่ตรงนี้อยากจะขอตัวอย่างว่าสมมติกาบใเนี้ยฮะนี้ทุกผมก็ไม่รู้จะทุกยังไงที่ายใบนี้เนี่ยนะทุกยังไงถ้าลองบัญญัติลองนี้ทุกยังไงใช่อผมก็แทบเดียวผมก็จบแล้วอืมนี้ทุกมันทุกยังไงที่บอกว่ากามน้ําใบนี้ที่บอกว่านี้ทุก ก็คิดถูกถามว่ากว่าจะเป็นกาใบนี้มาเนี่ยนะมีผู้เดือดร้อนสับเท่าไหร่กว่าจะผลิตกาใบนี้ขึ้นมาได้นะแล้วกว่าจะหาซื้อกาใบนี้มาได้นะเที่ยวเลือกเท่าไหร่อ่ถ้าถามนักเลือกของเก่งๆเนี่ยจะรู้เลยนะกว่าจะเลือกได้แต่ละชิ้นเนี่ยมันเท่าไหร่อย่างเงี้นะแล้วถ้าถามพวกเช็ดพวกร้านเนี่ยบอกนี้มันทุกเท่าไหร่เนี่ยนะแล้วถ้าเจ้าของรักมากถ้าเกิดมันหายไปแนละ้วมันจะมีทุกเท่าไหร่กันนะ ถามว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มีพวกนี้รองรับอยู่เนี่ยถามมันเท่าไหร่แล้วถามว่ากาใบนี้นํามาซึ่งทุกโทมันัดไหมเขามองมันในฐานะมันสะท้อนมหาเรายังไงคือเพราะตัวนั้นมันตรงๆมันก็คือวินิพโยครูปแบบมีอะไรตึกมากหรอกแต่มองในฐานะมันสะท้อนเข้ามาจากขู่กับรูปเกิดจากขูวิญญาณสามอย่างประชุมกันเป็นผัสสะ การผัสสะแต่ละครั้งที่มีองค์ประกอบมันเป็นปัจจัยอีกตั้งหลายเรื่องเช่นวา่าอย่างสมมติว่ากาใบเนี่ยถ้ามาเมื่อไหร่มันก็ตั้งอยู่ตรงนี้บางคนเนี่ยโทสะทําไมไม่รู้จะเอาไปเก็บั้งางเท่าไงนะอะบางคนรักมากเนี่ยเขาบอกมันหายไปไหนสมมติถ้ามันไม่ตั้งอยู่ที่เดิมอีกนะก็เดือดร้อนอีกแม้แต่ตั้งก็เดือดร้อนแม้แต่หายไปก็เดือดร้อนแม้สีเปลี่ยนไปหนึ่งก็เดือดร้อนมันพร้อมที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความทุก เพราะอันนี้จริงๆในฐานะเป็นรูปปัจขันเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาเป็นที่ตั้งแห่งสัญญาในฐานะเป็นอารมณ์ของเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นอุปนิสัยแห่งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณวะตะถ้าแยกออกไปเป็นชิ้นๆแล้วมันไม่มีอะไรแต่ที่เขาพิจารณาเนี่ยเขาพิจารณาพร้อมทั้งองค์ประกอบเลยที่บอกว่าพิจารณาว่านิการเนี่ยเป็นทุกข์นี่ยนิทุกข์ ก็ไปถามพนักงานที่ปัดกวาดเช็ดถูล้างดูแลพวกนี้ฮะถ้ากระทบบุบเข้ามาหน่อยแนละ้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวโทรศัพท์ก็จะเริ่มเกิดแล้วนะเสียใจเพราะตัวเองทําเสียหายข้อหนึ่งละเสียใจเพราะจะถูกด่าอีกข้อหนึ่งละเสียใจเพราะบางคนนเสียค่าปรับอีกหนึ่งละเพื่อนก็เป็นที่ตั้งแห่งเสียใจเท่าไหร่ถามว่ากว่าจะซื้อใบนี้มานะผ่านการตรึกเท่าไหร่ทํากรรมเท่าไหร่เพราะมีกาใบนี้ขึ้นมาเนี่ไง ก็จะมีใบนี้เนี่ยนะกายกรรมวจิกรรมมโนกรรมเท่าไหร่กรรมเหล่านั้นควรจะให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ที่เขาบอกวันนี้ทุกข์เนี่ยเพราะในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์และตัวเขาเองเขาก็ไม่เที่ยงเพราะเขาเป็นสังขารทุกข์ถ้าผู้อีกในหนึ่งนะต้องบอกว่ามองแบบอะไรนะมีบ้านหลังหนึ่งนี่มันทุกข์ยังไงเงี้ยนะั้นคิดเป็นกว่าจะสร้างออกมาได้นี่ก็โอ้โทุกข์เพราะคิดแบบคิดเปน็นนั่นแหละ แล้วพอลงมือสร้างนีก็รบกับช่างอยู่นั่นแหละไปร้านขายของก็ไปรบกับเจ้าของร้านขายของอีกนะเลือกวัสดุเนี่ยพอสร้างเสร็จแล้วนะก็รบกับการเช็ดล้างเนี่ยแค่ฝุ่นเนี่ยเล็กๆละองเนี่ยก็มารบกับฝุ่นอีกแล้วก็ดูแลตัวมันขึ้นกับรบกับตปวือกอีกว่ามหาภาระเลยแหละเปิดไฟตั๊บเดี๋ยวก็รบกับพวกน้ําพวกไฟอีกแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องค่าน้ําค่าไฟอีกแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องจริงๆเนี่ยนะถ้าเราไม่คิดเรื่องตรรมมานะมันก็ไม่ค่อยเท่าไรหรอก แต่ที่เขาพิจารณาวันนี้ทุกเนี่ยเพราะเขามีกรรมสกตาเพราะวัตถุเหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมกรรมเหล่านั้นก็ให้ผลแบ่งเป็นสามระยะโดยกรรมมาปัจจัยและโดยอุปนิสัยปัจจัยล่ะโดยที่สุดแม้กระทั่งแว่นตาที่ใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครัว่าคุณเคยลำบากใจเพราะแว่นตาบ้างไหมลำบากใจเพราะแว่นตาเนี่ยนะไม่ใช่ง่ายๆนะเกี่ยวกับเรื่องแว่นตาเนี่ยนะเชื่อถารมพุ ก, การณ์ือ่า คือมันทําให้จิตของเราเนี่ยนะมัวเนิ่นช้าอยู่ส่วนใหญ่นะมันทําให้เราเนิ่นช้าอยู่แล้วพูดอีกในหนึ่งนะคุณมีการเป็นอารมณ์แล้วพบใหม่ได้ไหมถ้าอย่างงี้ต้องเรียนอีกยาวเลยนะยงนั้นนะ <c oughs> คือในการวิเคราะห์บางอย่างพูดถึงลักษณะพวกนะั้นวิเคราะห์นี่คือข้อมูลเขาเต็มอยู่แล้วหมายความว่าจะน้อมไปคิดเรื่องอะไรเนี่ยนะข้อมูลในเรื่องนั้นก็มาทั้งหมดนักวางแผนโดยที่ไม่มีข้อมูลนะบอกอยู่เฉยๆนี่มันดีที่สุด ชั้นใดก็ดีนั็กวิเคราะห์ก็เหมือนกันนะถ้าเรียนมาไม่พอนะยิ่งวิเคราะห์ยิ่งเครียดต้องอ่านต้องฟังไปจนกว่าข้อมูลเต็มจริงๆถ้าข้อมูลเต็มนะเริ่มกระทุ้งมันก็ค่อยๆออกมาใช่ไหมถ้าไม่มีข้อมูลเลยมัเริ่มเปิดสต๊อกไหนก็ไม่เหลือสต๊อกเลยอดี๋ยวนี้ก็ยุ่งมากเลยธรรมะในยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่เรียกว่าศึกษาด้วยใจกันจริงๆพอใจมันอยากศึกษามันก็ศึกษาใช่ไหมพอใจมันไม่เอามันก็ไปเรื่องอื่นอีกล้ มันก็ไม่มีใครคุมใครอย่างแท้จริงอีกซึ่งพวกนี้เนี่ยในยุคนี้ถือว่าเป็นธรรมมาที่ปไตยมากๆเลยอะถือธรรมเป็นใหญ่ถือธรรมเป็นประมาณจริงๆวันนี้ขี้เกียจไปเรียนธรรมมาสักวันหนึ่งไม่มีใครด่าเรานะไม่เหมือนขาดเรียนวันหนึ่งใช่ไหมถ้าขาดเรียนวิชาอื่นๆนะโอ้ยไม่ได้เย <c oughs> นะธรรมานี่ไม่มีใครเช็กชื่อใครเลยนะมาไหมนะไม่มีทารายงานส่งด้วยนะหรือให้ทํารายงานคนเดียวบางคนก็ให้พูดสักสานาทีก็แหม ยากเหลือเกินเนี่ยนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละวิ ช, ชานี่นะจะไปทำยังไงยังมีเหลือมาให้เรียนทุกวันนี่ก็ดีใจแล้วหอมอมนะไม่ค่อยคิดอะไรมากแล้วการใหญ่การโตไม่ค่อยกล้าคิดและกลัวทั้งหลายก็ประกาศอริยสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันดาทั้งหลายมาเร่วมกันกล่าวสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นสารณ ะ, ะที่สูงที่สุดเป็นเบื้องต้น สายายรัตนสูตรเฉพาะภาษาไทยอย่างเดียวนะเล่มปกเหลืองเช่นพรรัตนปริตรนะหน้าเก้าเช้นพรขอเทวดาบนพื้นดินและในอากาศทั้งหลายผู้มาประชมกันอยู่ณนะที่นี้ทั้งหมดจงเป็นผู้เบิกบานใจเชิญฟังคำอันข้าพระเจ้ากล่าวโดยเคารพเถิดขอท่านทั้งหลายจงมีเมตตาจิตในหมู่มนุษย์ เพราะเขาทำบุญกุศลให้ทเทวดาอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนขอท่านทั้งหลายช่วยคุ้มครองรักษาเขาด้วยเถิดซับในโลกนี้หรือในโลกอื่น หรือรัตนะอันประเีษในสวรรค์ที่จะเสมอด้วยพระตถาคตเจ้าไม่มีเลยข้อนี้เป็นรัตนคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีพระสักยมุนีผู้มีพระหาฤทัยดํารงมั่นทรงบรรลุธรรมอันเป็นที่สิ้นกิเลสสิ้นราคาเป็นอมตะประเนษ สิ่งใดจะเสมอด้วยพระธรรมนั้นไม่มีข้อนี้เป็นรัตนคุณอันประเสริฐของพระธรรมด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีชงมีพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทรงสรรเสริญสมาธิใดว่าเป็นธรรมสะอาดบัณฑิตทั้งหลายกล่าวสมาธิใดว่าให้ผลทันทีไม่มีสิ่งใดขั้นได้ สมาธิอื่นที่จะเสมอด้วยสมาธินั้นไม่มีข้อนี้เป็นรัตนคุณอันประเสริฐของพระธรรมด้วยสัจจะวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีพระสาวกของพระสุคตเจ้าอริยบุคคลแปดจำพวกสี่คู่ที่สัตว์บุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้วท่านเหล่านั้นเป็นผู้ควรแก่ทักษินาทาน การที่ถวายแก่พระอริยะบุคคลเหล่านั้นย่อมมีผลมากข้อนี้เป็นรัตนคุณอันประเสริฐของพระสงฆ์ด้วยสัจจะวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีพระอรหันต์ผู้บำเพ็ญเพียรด้วยจิตอันเข้มแข็งในสราศาสนาของพระโคโดมผู้ปราศจากกิเลสเป็นผู้เข้าถึงอมะตะธรรม บรรลุพระนิพพานสเสวยสันติสุขเองข้อนี้เป็นรัตนคุณอันประเสริฐของพระสงฆ์ด้วยสัจจะวาจานี้ขอความสวัสดีชงมีพระตถาคตตรัตเปรียบสัตว์บุรุษผู้เห็นแจ้งเข้าถึงสัจธรรมคืออริยสัจ ส, สี่เหมือนกับเสาเขื่อนที่ฝังลงดินไม่หวั่นไหวเพราะแรงลมทั้งสีทิศ ข้อนี้เป็นรัตนคุณอันประเสริฐของพระสงฆ์ด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีบุคคลเหล่าใดทำให้แจ้งซึ่งอริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงพระปัญญาอันเลิศึ่งตรัสไว้ดีแล้วแม้ว่าท่านจะยังเป็นผู้หลงเพลินอยู่ท่านย่อมไม่ถือมั่นที่แตกอีก ข้อนี้เป็นรัตนคุณอันประเสริฐของพระสงฆ์ด้วยสัจจะวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีอันคือพระโสดาบันผู้ละสังโยชนสามประการได้แล้วคือละสักกายะทิธทหกปุจิกิจช า, า, า, าศีลปาตปา마ศละกิเลสอื่นๆได้ในขณะที่เห็นธรรม ท่านเหล่านั้นเป็นผู้พ้นแล้วจากอบายทั้งสี่ไม่กระทำกรรมอันไม่สมควรหกประการอีกเลยข้อนี้เป็นรัตนคุณอันประเสริฐของพระสงฆ์ด้วยสั จ, จวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแม้ท่านทานเหล่านั้นยังกระทำความผิดด้วยกายวาจาหรือใจอยู่ก็าตามแต่ท่านไม่ปกปิดความผิดนั้น พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้เห็นพระนิพพานเป็นผู้ไม่ปกปิดความผิดข้อนี้เป็นรัตนคุณอันประเสริฐของพระสงฆ์ด้วยศัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีพุ่มไม้ในตาแตกยอดอ่อนในเดือนต้นแห่งคิมหันรุดูฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมอันประเสริฐยิ่ง เป็นเครื่องให้ถึงพระนิพพานเพื่อประโยชน์สูงสุดก็มีอุปมาฉันนั้นข้อนี้เป็นรัตนคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าประการหนึ่งด้วยสั จ, จวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีพระตถาคตเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้รู้ธรรมอันประเสริฐเป็นผู้ประธานอันประเสริฐเป็นผู้นำมาซึ่งธรรมอันประเสริฐไม่มีผู้ใดยิ่งกว่า ได้ทรงแสดงคำอันประเสริฐข้อนี้เป็นรัตนคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีผู้สิ้นเชื้อแล้วมีจิตนายในพบทั้งมากสิ้นกรรมเก่าปราศจากกรรมใหม่ให้ไปเกิดอีกเป็นผู้มีปัญญาย่อมเห็นนิพพาน เหมือนประทีปสิ้นเชื้อแล้วฉะนั้นข้อนี้เป็นรัตนคุณอันประเสริฐของพระสงฆ์ด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีขอเทวดาบนพื้นดินและในอากาศทั้งหลายผู้มาประชุมกันอยู่ในที่นี้จงร่วมกันนมัสการพระพุทธเจ้าผู้เสด็จไปอย่างงามที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาแล้ว ขอจงมีความสวัสดีขอเทวดาบนพื้นดินและในอากาศทั้งหลายผู้มาประชุมกันอยู่ในที่นี้จงเริ่มกันนมัสการพระธรรมอันเป็นไปอย่างงามที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาแล้วขอจงมีความสวัสดีขอเทวดาบนพื้นดินและในอากาศทั้งหลาย ผู้มาประชมกันอยู่ในที่นี้จงร่วมกันนมัสการพระสงฆ์ผู้ดำเนินไปอย่างงามที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาแล้วขอจงมีความสวัสดีตอบไปนหน้า110เนกะล่าวเฉพาะภาษาไทยสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ จงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำลายบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณ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 ก็ดีท่านเหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอท่านเหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนท่านเหล่าใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายได้โปรดบอกท่านเหล่านั้นให้รู้ด้วยเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว ขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่ในสุขทุกเมื่อจนถึงพระนิพพานกรามปรารถนาที่ดีงามของท่านเหล่านั้นจงสำเร็จเธิด บุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้เพราะบุญนั้นและการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้นขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งโลกุตระรมเก้าในทันทีถ้าข้าพเจ้ายัางเป็นผู้อาทัพอยู่ยังต้องท่องเที่ยวไปในวัดตะสงสาร ขอให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่เข้าถึงฐานะแห่งความอาภัพสิปดระยังข้าพเจ้าพึงเว้นจากเวรทั้งห้าพึงยินดีในการรักษาศีลไม่เกาะเกี่ยวในกามคุณทั้งห้าพึงเว้นจากเปือกตมกล่าวคือกรม ให้ข้าพเจ้าไม่เพ่งประกอบด้วยทิฐิชั่วเพ่งประกอบด้วยทิฐิที่ดีงามไม่เพ่งคบมิตรชั่วเพ่งคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อขอให้ข้าพเจ้าเป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณคือศรัทธาสติหิริโอตตะความเพียรและขันติเพ่งเป็นผู้ที่ศัตรูครอบงำไม่ได้ไม่เป็นคนเขลาคนหลงงมงาย ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอุบายแข่งความเสื่อมและความเจริญเป็นผู้เฉียบแหลมในอัดและธ ร, รม ขอให้ยานของข้าพเจ้าเป็นไปไม่ขัดข้องในธรรมที่ควรรู้ดุอดลมพัดไตในอากาศฉะนั้นความปรารถนาใดๆของข้าพเจ้าที่เป็นกุศลขอให้สาเร็จโดยง่ายทุกเมื่อคุณที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกพบ เมื่อใดพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์เกิดขึ้นแล้วในโลกเมื่อนั้นขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากตําอันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรมขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ความเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ์ได้บรรพชาอุปสมบทแล้ว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 ขอให้ข้าพเจ้าเพ่งได้ยานเป็นเครื่องรู้เฉพาะตอนอันสูงสุดเทินสาธุสาธุสา ธ, สาธุสี่โมงสิบก็แสดงว่าได้เวลาเพิ่มมหาพูดอีกแล้วแล้ก็กล่าวนอบน้อมพระรัตนตรัยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับกันเลยเนะาะอรหังสัมมาสัมพุทธภพะคอวา พระผู้มีพระภาคเจ้าเผ่นพระอระหันต์ดาบเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นช่งตระสรู้ชอบได้โดยพระองค์องเองผู้ทางพระขวันตังอภิวาเทมีข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เติมผู้เบิกบาน สวากาโตภะควตตธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมงนามาซามีข้าพระเจ้านามัสการพระธรรมครับสุปัติปันโนภควโตาสาวกสร้างโคพระสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามีข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์นามตัสสาภคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามตัสสาภคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามัสสาภคขวะตโตขอนอบน้อมแด่ดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสซัมมาสัมพุทธาซาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันนั้นก็ขอให้ระลึกให้ทรงจำถึงบุญที่เราทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วนี้ ขอให้บุญที่เราได้บรรเทนแล้วนี้จงเป็นที่ตั้งแห่งอนุสติและลึกถึงเมื่อไรก็ขอให้เป็นที่ตั้งแห่งปีติและปราโมทและขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยเจริญพรกายเยนวาจายวาเวจตาสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีผู้เทกุกรมังตากะตังมายายัง กรรมหน้าที่เตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพู้โตปฏิคันหตัวายจยันทางขอพระพุทธเจ้าจงงดเสึ่งโทษล่วงเกิน น, นันนเรนสังวาริตตงวะพุทธเถเพื่อความสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไป กายนาวาจายาวาเจตาสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทามเมกุกัมบางตะะตังมายายังกันหน้าติเตียนนันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมท่าเมปฏิขั้นหถวายยันตังขอพระธรรมจงอสงเทโชล่วงเกนานานั้น กาลันตะเรสังวริวงวะธรรมเมพว่การสํารวมระวังในพระธรรมในการต่อไปกาเยนาวาจายาวาเจตาสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกรมังตะกะตังมายายัง ท่าหน้าที่เตือนนันใดที่ข้าพระเจ้ากระทําแล้วนพระสงฆ์สร้างโคปฏิคันหาตัวจยันตังขอพระสงฆ์จงลดซึ่งโทษเรื่องเกินานานกาลันตาเรสังวริตรงวัสังเคเพื่อการสํารวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปเขบาบอกว่าผู้ที่เห็นโทษโดยความเป็ น, ปนโทษ ตั้งอยู่ในความสำรวมระวังนั้นเป็นความเจริญในอริยวินัยนั้นเราทั้งหลายเป็นผู้ที่เห็นโทษโดยความเป็นโทษสำรวมเราจักประสบแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวก็สาธุเพื่อที่จะได้ระลึกถึงภาษาริบุตรก่อนว่าตามตำ น, นานนั้นกล่าวว่าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่ชาติกับมรณะของภาษาริบุตรนี่ยอยู่ตรงนี้คือตอนท่านประสูตรตรงนี้เรียกว่ารวมคลอดของท่าน ท่านคลอดที่นี่แล้วก็ในที่สุดก็มาละสังขารที่นี่ก็ดับขันตรินิพพานที่นี่โมทวดาท่านมนุษย์ทั้งหลายก็มาบูชาสการะท่านหาประมาณนี้ได้เราทั้งหลายได้เรียนพระธรรมโดยที่ท่านนั้นสงเคราะห์อนุเคราะห์แสดงปฏิสัมพิทธา ม, มาัชจุลนิเทศมหานิเทศพระสูตรอีกหลายสูตรมีสังขีติสูตรทัสุตระสูตรตาสาธิกาสูตร สัมมาทิฏฐิสูตรเป็นต้นน่ยนะซึ่งเป็นพระสูตรที่สําคัญเป็นพระสูตรที่ใหญ่ที่ท่านพระสารีบุตรนั้นมีใจอนุเคราะห์สหธรรมิกพุ่นสัพพมารีทั้งหลายทั้งที่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระสารีบุตรท่านก็สงเคราะห์อนุเคราะห์โดยการนําพระธรรมครําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเปิดเผยแต่งตั้งประกาศรายทั้งหลายก็ได้เรียนถึงคุณของพระสารีบุตร ทีนี้เรามาศึกษาความเป็นตายความภระารีบุตรในอัตถกถาจุนทสูตรสังยุตตนิการมหาวรารวะข้อความในสังยุตตนิกายมหาวราระอัตถกาถาจุนทสูตรกล่าวว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำพรรษาที่เมืองไพราลีไพราลีก็คือเมืองที่เราผ่านมาเมื่อวานนั่นะสเสด็จออกจากหมู่บ้านเวลุวะเวลุวะก็คือที่ทําสังขยา ทรงดํารืิว่าเราจะไปเมืองสาวัตถีแล้วก็เสด็จกลับจากทางที่เสด็จมานั่นเทียวไปถึงเมืองสาวัตถีโดยลําดับแล้วก็เสด็จไปพระเชตวันพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรแสดงวัดถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าเลอไปที่พักกลางวันเพื่อนเหล่าอันเตวาสิกในที่นั้นแสดงวัดแล้วหลีกไปคือลูกศิษย์ของท่านก็ประพฤติวัดในท่านะนะก็จากไป ท่านจึงกว่าที่พักกางวันปูแผ่นหนังล้างเท้าแล้วนั่งคูบลังเข้าพระสมาบัติก็คือเข้าพระสมาบัติมีพระนิพพ า, านเป็นอารมณ์ลำดับนั้นเมื่อท่านออกจากพระสมาบัตินันตามกาหนดแล้วก็เกิดความปรืิอตกขึ้นว่ า, าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจากปรินิพพานก่อนหรือหนอหรือว่าพระคราสาวกปรินิพพานก่อน แต่นั้นก็รู้แล้วว่าพระคราสาวกปรินิพานก่อนจึงตรวจดูอายุสังขารของตนแล้วก็รู้ว่าอายุสังขารของเราเนี่ยจะเป็นไปได้เพียงเจ็ดวันเท่านั้นจึงคิดว่าเราจะปรินิพานที่ไหนลำดับนั้นท่านคิดแล้วแล้วก็คิดอีกว่าพระาหุลปรินิพานในดาวดึงที่พบคือพระาหุลเนี่ยปรินิพานก่อนพระสารีบุตรนะแสดงว่าพระาหุลเนี้อายุไม่ยืนเท่าไหร่ น่าจะอายุไม่เกินสี่สิบห้าปีพระอานุหนี้อายุไม่เกินนั้นถ้านยากูลทัญญาปริณิพานที่สะฉัดทันเราจะปริณิพานที่ไหนดังนี้ก็เกิดความสังเวชปรารบมารดาคือคิดถึงแม่แล้วก็สลดใจเลยว่ามารดาของเราก็เป็นมารดาของพระอรหันต์ถึงเจ็ดองค์ก็คือลูกชายกับลูกสาวเนี่ยเป็นพระอรหันต์เจ็ดท่านด้วยกัน ก็ยังไม่เลื่อมสายในพระพุทธเจ้าไม่เลื่อมสายในพระธรรมและไม่เลื่อมสายในพระสงฆ์เลยท่านมีอุปนิสัยที่จะบรรลุมรรคผลหรือไม่หนอจะได้เห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปติมักของมารดา<ม>ก็ตรวจดูต่อไปว่ามารดานั้นจกบรรลุด้วยธรรมเทศนาของใครคือผู้ใดประกาศอริยสัจมารดาของท่านจึงจะจะเห็นแจ่มก็ทราบ ว, ว่าบรรลุด้วยธรรมเทศนาของท่านเท่านั้น ไม่ใช่ของใครอื่นก็ถ้าเราพุงมขวนขวายน้อยก็จะมีคนกล่าวกับเราว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาจะตำหนิภาษารีบุตรว่าภาษารีบุตรเถระเป็นที่พึ่งของคนที่เหลือทั้งหลายจึงอย่างนั้นในวันแสดงสมจิตตสูตรของท่านเทวดาพันกรวดบรรลุเป็นผ้ารหันเทวดาที่ต่งตลอดโสดาปติมารสะกะทาคามิมกักอนาคามิมกักหานับไม่ถ้วน ปราลบการตรัสรู้ในที่อื่นๆอีกมากและตระกูล8 0ดหมื่นตระกูลเนี่ยยังจิตให้เลื่อมสายในพระเถระก็เกิดในสวรรค์ทั้งนั้น